วนห้าตำนานผีของต่างประเทศความเชื่อเรื่องผีมีอยู่ทั่วโลกซึ่งผีแต่ละชนิดก็จะต่างกันไปตามลักษณะรูปร่างหน้าตาวิธีการหลอกล่อของผีว่าจะทำให้คนกลัวมากขนาดไหนทีมงานแถวนี้ผีดุจึงได้รวบรวมตำนานเรื่องผีจากต่างประเทศบางส่วนที่น่าสะพรึงมาให้ผู้ฟังได้รับฟังกันว่าผีไทยกับผีเทศ อะไรจะสยองมากกว่ากันแวมพายแวมพายเป็นผีดิดอีกชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปในช่วงยุคลางลักษณะของแวมพายคือมีรูปร่างหน้าตาเหมือนคนแต่จะมีฟันที่แหลมคมเพื่อเอาไปดูดเลือดสดๆที่กลางลำคอของคนเพราะหากพวกมันได้กินเลือดสดแล้วก็จะหล่อเลี้ยงดวงจิตของมันให้มีพลังมหาศาลและกลายเป็นอมตะยิ่งได้กินเลือดมากเท่าไหร่ยิ่งจะทาให้มันมีพลักำลังมากเท่านั้น ทำให้แวมพายเป็นผีดิบจอมโหดร้ายใครที่ถูกมันดูดเลือด ก, ก็จะกลายเป็นผีดิบเช่นเดียวกับมันและจะกลายเป็นทาสรับใช้แวมไพายตนนั้นอีกด้วยแต่สิ่งที่แวมพายเกลียดที่สุดคือแสงแดดเพราะโดยสัญชาตญาณของผีดิบมักจะชอบอยู่ในที่มืดในตอนกลางวันแวมพายจึงหลบซ่อนตัวอยู่ในที่มืดเช่นหลงศพหรือหลุมศพเท่านั้นแต่มันจะออกมาอารวาดผู้คนและหาเหยื่อนในตอนกลางคืนเพราะความกระหายเลือด แวมพายมีฤทธิ์มากมันสามารถแปลงกายได้หลายอย่างและยังสามารถกำบังตัวซ่อนตัวเพื่อไม่ให้ผู้คนเห็นตัวมันได้อีกด้วยฉะนั้นผู้คนในยุคสมัยก่อนจึงกลัวแวมพายมากเพราะมันซ่อนตัวได้ทำให้ไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนกันแน่มันอาจจะกระโจนออกมาจากในที่มืดแล้วกระชากร่างมาดูดเลือดที่กลางลาคอเลยก็ได้ลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของแวมพายคือมันจะไม่มีเงาเหมือนคน แต่ถ้าตัวของมันถูกสะท้อนในกระจกเมื่อไรมันจะมีพลักกำลังมหาศาลเมื่อ น, นั้นสิ่งที่สามารถปราบแวมไพร์ได้ก็คือไม้กางเขนน้ำมนต์และกระเทียมนอกจากนี้ยังมีความเชื่อในวิธีที่จะหยุดยั้งแวมไพร์ได้อย่างถาวรคือการตอกลิ่มลงไปตรงขั้วหัวใจให้ทะลุและต้องเผามันทันทีวิธีต่อมาคือการตัดหัวของแวมไพร์ให้ขาดด้วยจอบลงอคมของส ป, ปรเรอแวมไพร์จึงจะสิ้นฤทธิ์ มนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเป็นความเชื่อของชาวยุโรปในยุคกลางถือเป็นผีประเภทเดียวกับแวมไพร์สำหรับสาเหตุที่ทำให้เป็นมนุษย์หมาป่ามีหลายความเชื่อด้วยกันเช่นเกิดจากหมาป่าปีศาจเข้าสิงทําให้คนคนนั้นต้องกลายเป็นมนุษย์หมาป่าหรือการสืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษทําให้ลูกหลานกลายเป็นหมาป่าไปด้วยหรือเกิดจากการใช้ยาชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสมุนไพรทําให้กลายร่างเป็นหมาป่า แต่ที่เชื่อกันมากก็คือเกิดจากสาเหตุที่คนคนนั้นถูกสาบจากเวทมนต์ทำให้กลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงโดยมันจะเริ่มกลายร่างจากคนธรรมดาเป็นครึ่งคนครึ่งหมาป่าแล้วสุดท้ายก็เป็นหมาป่าเต็มตัวและมนุษย์หมาป่าจะคืนร่างเพื่อกลับเป็นคนอีกครั้งเมื่อมันถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บอิทธิฤทธิ์ของมนุษย์หมาป่าจะมีเหมือนกับพวกแวมไพร์ โดยเฉพาะความสามารถในการแปลงกายเป็นอะไรก็ได้อย่างที่ต้องการมันยังใช้เล็กของมันกลับขนของตัวเองเข้าไปภายในร่างกายได้อีกด้วยเพื่อไม่ให้ผู้อื่นจับได้ว่ามันเป็นมนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่ามักจะล่าเหยื่อในตอนกลางคืนโดยเลือกคนที่เดินมาตามลำพังแล้วกระโจนใส่คนคนนั้นเพื่อดูดเลือดมาเป็นอาหารวิธีกําจัดมนุษย์หมาป่าที่ได้ผลคือการใช้ปืนยิงหลา ย, ลายนัดจนกระทั่งร่างหมาป่านั้นพรุนเป็นรู แต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นกระสุนเงินเท่านั้นเนื่องจากความเชื่อว่าหมาป่าจะกลัวแร้เงินนอกจากนี้หมาป่ายังกลัวไม้กางเขนที่หลอมมาจากแร้เงินอีกด้วยโดยใช้ไม้กางเขนแทงเข้าไปให้ทะลุเนื้อหนังของมันหรือเพียงแต่ใช้ไม้กางเขนป้องกันหมาป่าก็สามารถทําให้มันกลัวและไม่กล้าเข้าใกล้ได้เมื่อกําจัดมนุษย์หมาป่าจนมันตายแล้วให้รีบนําร่างของมันไปเผาแต่ห้ามฝังโดยเด็ดขาดเพราะเชื่อกันว่า มันอาจจะคืนชีพกลับมาอีกครั้งผีดิบจีนผีดิบจีนจะมีลักษณะที่ยื่นแขนออกไปข้างหน้าสองข้างแล้วกระโดดเป็นจังหวะซึ่งเชื่อกันว่าผีดิบประเภทนี้เกิดจากศพที่ตายไปแล้วถูกปลุกขึ้นมาด้วยอํานาจของเวทมนต์คาถาด้วยเพราะสาเหตุเกิดจากการที่ชาวจีนสมัยก่อนมีธรรมเนียมนิยมในการนําศพกลับไปยังบ้านเกิดของตนเองแต่สําหรับชาวจีนที่ฐานะไม่ดี ก็ไม่สามารถเคลื่อนศพออกไปได้เพราะมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากทําให้มีการประกอบพิธีกรรมจับผู้ที่มีเวทมนต์โดยการปลุกศพขึ้นมาให้เดินเรียงหน้ากันเป็นแถวเพื่อกลับบ้านเองซึ่งผู้ทําหน้าที่นี้ก็คือนักพรตโ ด, ดยก่อนที่จะมีการเคลื่อนย้ายศพจะมีการแจ้งให้ผู้คนในละแวกนั้นปิดประตูหน้าต่างให้สนิทเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากนั้นนักพรตจะทําพิธีกรรมและสั่นกระดิ่งเป็นสัญ ญ, ญาณให้ศพออกมา เรียนกันเป็นแถวยาวแล้วเดินทางกลับบ้านของตนเองโดยการกระโดดซึ่งจะมีนักพรตเดินนำหน้าเมื่อถึงบ้านเหล่าญาติญาติก็จะนำศพไปประกอบพิธีกรรมต่อไปเชื่อกันว่าศพชนิดนี้จะมีพละงกำลังมหาศาลโดยเฉพาะหากมันอยู่ในสภาพของการเป็นผีดิบเป็นระยะเวลานา น, านยิ่งทำให้มีฤทธิ์มากหากเจอพวกมันโดยบังเอิญให้หนีขึ้นที่สูงเพราะร่างกายของผีดิบจะเคลื่อนไหวช้าและเลือดแข็งหนืด ไม่อาจยืดหยุ่นร่างกายได้การหนีขึ้นที่สูงจึงปลอดภัยแตว่ายังมีวิธีการทำลายผีดิบเหล่านี้ให้สิ้นไปโดยการใช้ปืนยิงเผาทำลายหรือฟ้าผ่าลงในร่างกายของมันก็จะทำให้มันสิ้นฤทธิผ์ผีสาวปากฉีกผีสาวปากฉีกเป็นตำนานผีญี่ปุ่นอันเลื่องลืออย่างมากในสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังคงพูดถึงกันอยู่ เพราะความน่ากลัวของลักษณะผีที่ทำให้หลอนไปตามๆกันตำนานผีสาวปากฉีกเริ่มเกิดขึ้นในสมัยเฮอังโดยกล่าวไว้ว่ามีหญิงสาวผู้หนึ่งเป็นภรรยาของซามูไรแต่เธอประพฤติผิดโดยการนอกใจสามีอยู่มาวันหนึ่งสามีจับได้ว่าเธอไม่ซื่อสัตย์เขาจึงใช้ดาบฟันปากของเธอจนเป็นแผลเวอะวกฉีกจนถึงใบหูและพูดเยาะเย้ยว่าให้ดูสภาพหน้าของเธอว่าตอนนี้ไม่มีความงามเหลืออยู่เลย ด้วยบาดแผลชกันทำให้หญิงผู้นี้ถึงแก่ความตายในเวลาต่อมาแต่ในระหว่างที่ตายจิตของเธอมีความโกรธแค้นอาฆาตผู้เป็นสามีอย่างมากทำให้เธอกลายมาเป็นผีสาวปากฉีดที่มีความน่ากเกลียดน่ากลัวที่ยวหลอกหลอนผู้อื่นตามเมืองต่างๆโดยมีเรื่องเล่าในสมัยพุทธศวรรษที่ 2,500 ว่าผีสาวปากฉีกตนนี้มักจะใส่หน้ากากสีขาวอาพรางใบหน้าของตนเองไว้ หากเธอได้พบกับเด็กๆที่เดินอยู่เพียงลําพังเธอจะเข้าไปทักทายและถามเด็กผูนั้นว่าตัวเธอเองสวยหรือไม่ถ้าเด็กตอบว่าไม่สวยเธอจะใช้กรรไกรมาตัดปากของเด็กจนเป็นแผลบิกบวกระและทําให้เด็กถึงแก่ความตายอย่างทรมานเช่นเดียวกับความตายที่เธอผ่านมานนั่นเองขณะเดียวกันหากเด็กตอบว่าเธอสวยเธอก็จะปลดหน้ากา ก, ากออกและยิ้มให้เด็กดูจะเห็นความน่าเกลียดน่ากลัวสยดสยองเพราะเวลาเธอยิ้ม จะเห็นปากฉี่ขึ้นไปยาวถึงรูหูเป็นที่ผวาของคนในยุคนั้นมากผีไม่มีหน้าผีไม่มีหน้าเป็นตำนานเฮี้ยนของผีญี่ปุ่นอีกเรื่องหนึ่งที่ทำเอาหลายคนสะพรึงกลัวกันไปตามๆกันเพราะผีชนิดนี้จะไม่ปรากฏตาจมูกปากแต่จะมีเพียงใบหน้ากลิ้งกริ้งที่ขาวโพรนไปทั้งหน้าเท่านั้นผีไม่มีหน้าปรากฏในสมัยเอโดะว่าเล่ากันว่า มันมักจะมาหลอกหลอนผู้คนในยามดึกสงัดโดยเฉพาะกับคนที่เดินมาเพียงลําพังเท่านั้นเหตุการณ์ผีไม่มีหน้าออกมาอารวาสนี้มักจะปรากฏไปมากในจังหวัดอิวาเตะมันเริ่มเกิดขึ้นที่เนินแห่งหนึ่งมีชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินทางผ่านบริเวณเนินดังกล่าวที่มืดและเปรี่ยวในระหว่างทางเขพบเจอกับหญิงสาวผู้หนึ่งสวมชุดญี่ปุ่นนั่งหันหลังให้เขาแล้วก็ร้องไห้ เขาได้ยินดังนั้นก็สงสารเธอเป็นอย่างมากเพราะเธอร้องไห้ไปกลางและกำลังจะกระโดดสะพานเขาจึงเร่งวิ่งเข้าไปห้ามและปลอบใจเธอแต่ทันใดนั้นเองหญิงสาวผู้ น, นั้นได้หันกลับมาหาเขาทำให้เขาต้องตะลึงเพราะใบหน้าเธอขาวโพลนเปลีง้งเกล้าเหมือนไขปอกไม่มีแม้แต่จมูกตาหรือปากเขาตกใจและหวาดกลัวมากจนวิ่งหนีไปด้วยความเหนื่อยทำให้ชายผู้นี้มาหยุดพักที่ร้านบะหมี่แห่งหนึ่ง เจ้าของร้านเห็นชายคนดังกล่าวมีอาการเหนื่อยหอบดูท่าไม่ดีจึงถามว่าเขาวิ่งหนีอะไรมาเขาจึงตอบไปว่าเขาเจอผีไม่มีหน้าที่ตรงเนินแห่งหนึ่งและก็วิ่งหนีมาด้วยความกลัวเจ้าของร้านบะหมี่จึงพูดว่าผีไม่มีหน้าที่เขาพบนั้นเป็นแบบนี้หรือเปล่าจากนั้นเจ้าของร้านจึงใช้มือรูปหน้าตนเองเบาๆทำให้ใบหน้าหายไปในพริบตาแล้วกลายเป็นเหมือนกับไขปอกเช่นเดียวกับผีสาวที่เขาพบเมื่อครู่ ชายคนนั้นหวาดกลัวมากเพราะเขาไม่คิดว่าจะถูกผีไม่มีหน้าหลอกถึงสองครั้งติดติดกันเขาจึงรีบวิ่งออกไปจากร้านบะหมี่โดยเร็วผีไม่มีหน้าจึงเป็นตำนานอันน่าสะพึงตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาคุณมีตำนานผีต่างประเทศตำนานไหนที่ชอบบ้างไหมลองคอมเมนต์หน่อยถ้ามีคนชอบเยอะทีมงานจะหามาทำให้ชมกันอีกนะครับหากคุณชอบเรื่องนี้กรุณากดถูกใจ และกดติดตามด้วยนะครับ